ชาวโลกก็ต้องโน้ว่าเป็นฐานาปฏิบัติแต่ชื่ออันนี้เขายกย่องตั้งแต่เสริญรัฆังถือป่อาเป็นพระที่ปฏิบัติหน้ากลาว่ายุชาโดยส่วนใหญ่คนทั่วไปคืออย่างนั้น เร่องนี้ตัวของพวกเราท่านจริงจังเป็นอย่างไรต้องตรวจสอบที่เจรานาในตัวเองเขาว่าเป็นโจรเราเป็นโจรหรือไม่เขาว่าเป็นนักปลา่าเป็นบัณฑิตเราเป็นนักปล่าบัณฑิตหรือไม่เพราะว่าเราปฏิบัตินักปฏิบัติเราปฏิบัติหรือไม่ที่มีจะชื่อที่เขาลือกันต้องตรวจสอบที่นี้ทีเจริญนาในตัว อย่างไรก็ดีทุกคนก็ตั้งหน้ามาสะพิสปิฏปฏิบัติฝึกหัด ก, กายวาจยใจของตนการบวชไม่เคยบวชเผื่อเล็้ยเผื่อกินเผื่อนอนบวชเผื่อฝึกฝนอบรมตนของตนความปวดเสียต่างๆที่เคยมีมาก่อนในว่าทางการกระทำโดกยกาย ด, ด้วยการปวดโดยวายใายจตลอดถึงการคิดด้วยใจ เราจะต้องมีสติรักษาสังวรกายวาจใจใจของตัวจึงจะได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีสติปัญญารักษาตัวในทางหน้าต่างต า, งตางบ่มเพนความดีอะไรยังเสียมาแอบอยู่ในป่าหนุ่มห่มหนุ่มห่มผ้าดำ เรถือว่าภาคกรรมาฐานภาปฏิบัติแ่นี้มันก็ไม่ดีเพราะจะเป็นเรื่องแอบเอาศาสนาบางหน้าหาจินจะเป็นเตจในเครื่องแบบพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็ดีท่านปฏิบัติมาในสมัยพุทธกาล ท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงมีมากมีผลเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเรื่องเหล่านี้พวกเราควรนํามาพิจารณาปรับกายวาจาใจของตัวให้ถูกต้องตามเรื่องของท่านไม่อย่างนั้นคุณงามความดีอะไรก็จะไม่เกิดขึ้นให้สมัยก่อนท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติเอาจริงเอาจัง วันเวลาที่ผ่านไปท่านไม่ยอมให้เป็นหมันอุตส่าห์พยายามที่นี้ที่จะได้นาชำระใจของตัวอยู่ตลอดนี่คือการปฏิบัติของท่านที่เกิดมาเกิดผลขึ้นในจิตในใจของท่านได้มาเป็นสาระให้พวกเราทั้งหลายเดียกราบเดีวยวไหวถ้าหากท่านปฏิบัติแบบ เล่นเล่นไม่เอาจริงเอาจังแล้วแต่ระยะเวลาใดระลึกนึกได้ทาถ่าปฏิบัติไปนอกจากนั้นก็<อ><อ>แล้วแต่ทิ่เลียดตัญหามันจะนำพาไปสู่อารมณ์สัญญาอะไรไม่มีการรักษาตั้งวรใจของตัวถ้าท่านปฏิบัติแบบนั้นท่านก็คง ไม่มีมกักมีผลอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจของท่านเหมือ น, นกันกับพวกเราที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันที่ไม่เกิดมักผลเกิดขึ้นจากใจนั้นเ พ, เพราะเราเชื่อเรื่องราคาตันหามานาทิพิเชื่อเรื่องกิเลสยิ่งกว่าเชื่อเรื่องของธรรมไม่ต่างหน้าต่างตาบํารุงรักษาต่อพืชปฏิบัติสํารกกายใจจริงจัง มันจึงไม่เกิดคุณข่าสาระอะไรให้ทั้งทั้งที่มาบวชอยู่ในที่วิเวกในมีจิตการงานอะไรยุ่งเกี่ยวให้เสียเวลาในยว่าอิริยาบถใดควรทำได้ในการรักษากายใจของตัวเหนื่อยในการนั่งจะลงเดินร่มเงาอยู่ในวัดในวาพอเป็นไป ไม่ใค่ว่ามันแดกแดกเขาอะไรทางจงกลมกลงวันพอพอทิ่จะมีให้ระพึ่งปฏิบัติได้เหนื่อยในการเดินอยากไปนั่งก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรียนเป็นภยัยพอทิ่จะรบกวนให้จิตใจได้รับความยุ่งเหยิงลำบากผู้คนก็ไม่มีใครที่จะมาเกี่ยวข้อง ให้รับความลําบากเสียวเวลาีิแสดงว่าตัวของพวกเราเองที่ไม่ได้ต่างหน้าต่างตาเอาจริงเอาจังจิตใจมันจริงไหมกล่าวหน้าจริงไหมเปิดศพพบธรรมะให้าหากเราเอาจริงเอาจังโอกาสเวลาที่ผ่านมาระยะยาวนานพอสมควรความเป็นไปของใจก็จะเกิดขึ้น มาอย่างได้ก็อย่างหนึ่งเพราะการกระทำบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาการทำจะต้องเกิดผลถ้าตนของตนทำไปในทางดทางีทั้งชอบนี่คือม่เกิดผลขึ้นให้ก็เพราะทำไ้พอเสียไมย่ได้ผลที่เกิดขึ้นก็เพียงแค่นั้น้ลยในเกิดอะไรอัศจรรย์เหมือมันเป็นอย่างนั้นคุณขาสาระะ ของการบวชมันก็ไม่มีอะไรตัวของตัวเองก็ไม่ไหวใจของตัวว่ามันจะเป็นไฟแบบไหนในอนาคตแต่นั้นการปฏิบัติจึงควรต่างหน้าต่างตาแต่ทำบาเพ็ญอย่างจริงจังให้สมกับถื่อที่เขาว่าพาะกรรมฐ า, านพระปฏิบัติโอกาสเวลามีพอทำได้ทำไป ระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาใจจิตใส่คิตติดตามเรื่องต่างๆถ้าเป็นทางชั่วที่จะทำให้เสียเวลาหรือจะทำให้ตัวมัวหมองเกิดราคาตัณหาบาโอต่างๆบริบปัดเป่าแก่ไขนี่คือมีสติรักษาตัว ดูภายในดูใจอยู่สม่ำเสมอตลอดเรื่องภายนอกก็ต้องระวังรักษาโดยส่วนใหญ่เวลารวมกันฉันน้ำร้อนหรืออาบน้ำตอนเช้าก่อนทำขอวัดล้างบา ท, เ, ทาเสียงมักจะดังลั่นไม่สมกับว่านักะตะกีบั คือพูดกันธรรมดามันจะเป็นอีกอย่างพูดโดทาํามีสติมันพอตั้งออกสําหรับคนอื่นพูดเดยการโดยมีสติพูดไปโดยคําเพลินมันดังแต่คนอื่นก็ทราบว่าพูดโดยมีสติพูดไปโดยคําเพลินของตัวระวังรักษาเรื่องหนอ่นอง เป็นป่วงบ่งบอกเป็นคนไมนเอาใจใส่ในการรักษาสติปัญญาเรือ่องของนอกๆหยากๆการักษาไม่ได้ยย่งคนมาเกี่ยวขวางมากเข่าเท่าไรก็ควรจะเห็นความเสียหายความชั่วของพระของเนนมากเท่านั้นทุกคนจะต้องระวังรักษา เกื่ยศาสนาเกื่ยัตัวของตัวเกี่ยกัปฏิบัติแต่ฮะสติหาปัญญาอะไรในได้พูดจาพาทีกันเหมือนคนขี่เมาหาสติรักษาเจ้างว่าจหาบหยาบก็ไม่ได้คือมันเป็นกร อ, อบเกร็ด ทั้งๆสี่คนเดี่ยวกันก็ไม่ใครงุหงดตึงพอที่จะพูดกันหได้ยิ้มเสียงต้องระมัดระวังให้มากเรื่องเหล่านี้เพราะเรามาหาความสงบใจมาหาความเปิดเพลินส่วนอื่นยังกายวาใจก็ไม่สงบใจมันจะสงบได้อย่างไรเราจะมองเข้าไปภายในอย่างเห็นตับเห็นปอดของพวกเราดันั้นการ ขุจ่าพาทีกันก็ต้องมีสิจังวันรักษาเอาไว้ยิ่งต่อไปก็จะมีการงานมีคนใครนอกต่อมาพักผาอาศัยมาดูวิทยามารยาเพรวัดปฏิบตัติต่างๆของพระของเนรถ้าหากเราไม่จางวันรักษาเอาไว้ก็ขายขีหน้า ปู่รักษาศาสนาประพฤติปฏิบัติเกะกะลาลานต่างๆเสื่อมไปถึงครูถึงอาจารย์ถึงทวพุทธเจ้าหาเราทั้งวันรักษาเอาไว้ประพฤติกายวายาจใจในทางดีถึงจิตใจยังไงพ้นใกล้จับคิดถิมานะราคาตัญหาต่างๆแต่เราก็รักษา จะพึ่งปฏิบัติบังคับบัญชาจะทำอยู่ทุกระยะทุกเวลาการลงมือทาถึงงานนั้นจะเป็นงานใหญ่งานนั้นจะเป็นงานหนักมันก็มีวันมีเวลาที่จะเบาไปยึผ่านไปได้ถ้าไห่ทำอะไรเสียเลยถึงงานนิดนิดห น, น่อยหน่อย งานเบ า, เบางๆง่ายๆนันก็ผ่านไปไม่ได้เพราะไม่ทำมีการระพทชปฏิบัติการรักษ า, า, ากายวาจาใจในทางธรรม่ีในก็นทํานองเดียวกันและต้องทำต้องรักษาให้สมกับถื่อว่าเป็นชะนักปฏิบัติเราไม่เห็นไม่เป็นภายนอกก็ไม่เย็นไม่สงบภายในตงันตงซึ่ง ปรุงยุ่งเกี่ยวเรื่องต่างๆอยู่ตลอดอย่างนั้นมันก็หมดคุณค่าหาสาระอะไรในไดน้เขาทำงานภายนอกเขาจะมีผลกำไรในปีหนึ่งหนึ่งเขียนทำนาเขาก็มีผลกำไรตอบแทนกินมาทำสวนก็เหมือนกันเราในปีหนึ่งหนึ่ง ผลของการาพปฏิบัติมันเกิดขึ้นอย่างไรมีอะไรบ้างที่ประทับในจิตในใจของเราถ้าหากในตรวจสอบตัวของตัวเองแล้วมันก็ไม่ทราบว่ามันดีมันชั่วมันเสียมันหาอย่างไรแลาไม่ตืนเส้นอยากจะกระทำบำเพ็อยู่เรื่อยๆไปฮะคุณข่าวสารอะไรไม่ได้อยู่แบบมีความไหนอยู่แบบมีความหวัง มันม่ดีแบบนั้นท้านหาครูท่านละขาดประพื่อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างปวดเปล่องไปหมดไม่มีอะไรเหลือหลอจะละจะบำเทนอะไรไม่มีอีกนั่นมันเป็นอีกอย่างแต่ท่านที่ประพฤติปฏิบัติแบบนั้นท่านก็ไม่เคยละทิ้งขอวัดปฏิบัติของท่านยิ่งขยันหมั่นเพียรเหมือนกันกันกบเด็กผีถึงแมงมีเข่าคล้อง นางน า, ายกายกองในบ้านขนาดไหนเขากงไม่เคยเบื่อก็สมบัติมีนาเท่าไรเขาก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้คนเกียดต้านต่างหาที่ไหนมีอะไรก็นอนใจตายใจพอ ห, หิวห้อยึ้นตัวไม่ทราบจะได้คว้าอะไรมารับทานคนเกียรต้านเป็นแบบนั้นแต่คนขยันหรือเศรษฐีเขาไม่ป่อย วันเวลาให้เป็นเหมืนอนส้มบัตรอะไรที่ควรได้เขาแสวงหาเขาเก็บหอมรอมลิบเอาทุกสิ่งทุกอย่างนี่ทางโลกเรื่องของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพาประพฤติปฏิบัติมาก็ทํานองเดียวกันตัวของพระพุทธเจ้าเองจัดทัตวรู้แล้วแทนที่จะอยู่ดีๆสะดวกสบายทางพระกายของท่านท่านก็ขยันมันเทียน นัง่งแต่เจ็ดวันเจ็ดคืนเดินแต่เจ็ดวันเจ็ดคืนเคยมีนอกจากนั้นก็ยังไปโปรดจัดทางนั้นทางนี้แห่คอยมีโอกาสเวลาอยู่สบายอย่างพวกเราสิเต็มประโยกิเลสตันหาทันขยันในการไปการมาเพราะจะทำประโยชน์ให้เกิดแก่โลก เราเพียงแต่จะรักษาตัวของเราเท่านั้นก็รักษาไม่ได้จะไปรักษาคนอื่นไปโปรดคนอื่นไปทาประโยชน์ที่อื่นมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปทำเพราะกำจัดกี่เรลยอปัญหาขับไล่มานาทิฏฐิภายในจิตในใจเพียงตัวของตัวเท่านั้นมันก็ยังไม่ออกไม่เหมือนกันกับคนจนเพียงจะหาใส่ตาใส่ท้องของตนเท่านั้น มันกปยังไม่อิ่มไม่พอแล้วจะมีอะไรไ้เสีืเอเผื่อแผ่คนอื่นให้เขาได้รับความสุขความสบายพระพุทธเจ้าท่านมีสมบัติทุกอย่างเหมือนมหาเศรษฐีถ้าเป็นน้ำก็เหมือนมหาสมุทรจะไปตักออกไปเท่าไรมันจะไม่หมดเพราะมันมากแต่ถึงกันนั้นท่านก็ทํา ดกตัวอย่างที่มาโปรตยาสักคุณระบุตไม่ใช่ท่านตั้งหน้าจะมาโปรตยาสักคุณระบุแต่นี้มาตั้งหน้าจะไปโปรดตดินท่านสาม้อยคนเดินผ่านมาถึงสถานที่ใดห่ำทั้งตะพักไปตามป่าตามเขาเพราะสมัยนั้นยังไม่มีวัดนี่ก็ ปรากว่าท่านพักอ ย, ยู่นนในป่ายาสาจุลบุตรเบื่อนหน่ายในคาราวาเบื่อหน่ายในสมบัติเบื่อหน่ายในการมคุณว่าทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้ขัดขวางเนอแต่ก่อนตอนจิตยังในคิดเรื่องของอัตชัมท่านก็หลงเถิดเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆเหมืงชาวโกเขาแต่วันนั้น เธอเอินิดในเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นจิดจึงเดือหน่ายจึงเห็นสิ่งต่างๆที่เราหามาได้เรายึดถือกว่าเป็นของไม่มีสาระเห็นบริษัทบริวารที่นั่งนอนห้อมล้อมอยู่นั้นเป็นป่าช้าที่ดิบไม่เห็นว่าเป็นชนสวยคนงามเหมือนก่อนย่องนี้โดยไม่บอกใคร แม่แต่ดีดานานดาของทังงรรานท่านก็ไม่ยอมบอกหนีไปคนเดียวแล้วก็เด้อยอำนาจที่จิตเบื่อหน่ายในส้มบัตรเบื่อหน่ายในบริษัทบริวารก็บนออกไปที่นี้ขัดข้องหนอที่นี้อุ่นวายนาเนาะเรื่อยไปพราะมันคิดเบื่อหน่ายอย่างนั้นมันคิดขัดข้องอย่างนั้นมันไม่สะดวกสบาย สมัยนั้นพระพุทธเจ้ า, าท่านทรงเดินจงกรมอยู่ตอนเตือนจะสว่างเลยยินเสียงจึงเรียกยะสระเข้าไปหาว่าทีนี่ไหมคัดข้องที่นี่ไหมบุญวามาที่นี้พระ อ, องค์ก็ทรงหยุดเดินแล้วก็แสดงธรรมสู่ฟังนะพระพุทธเจ้าจึงมีการจะละจะบำเพ็ญแต่ตอนเช้ามืดขนาดนั้นท่านก็ยังทรงเดินจงกรม เดีวเป็นวิหารธรรมของท่านท่านมาเลยเหยียดพื้นงั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งไมามีอะไรภายในใจวิเลตันหายังหนาแน่นแต่ก็ไม่อยากจะจะจะเนี้ยจะตัดจะฟันแล้วจะให้ใจมันมั่นคงมันสงบสุกอย่างไร คนเกียดคร้านไม่ว่าอยู่ในวัดไม่ว่าอยู่ในบ้านคนนั้นจะต้องอดจนคนขยันหมั่นเพียรจะทำงานทางโลกก่าตามทำงานทางธรรมก่าตามคนนั้นยอมพอเป็นพอไปพอช้าพอสอยพอความขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ในหน้าที่การงานของตนการตะพื้นระจีบัดธรรมะ้าใครขยันหมั่นเพียร เริจงกรมภาวนาละกิเลสคนนั้นความส ง, งบสงงันต์หรือศีลของคนนั้นก็จะเป็นศีลที่บริสุทธิ์เป็นอธิศีลได้จิตก็จะเป็นอธิจิตได้เพราะการกระทำบาเพ็ญของเขาหีเรามันไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้อย่าไปกล่าวตู่ว่าศาสนานั้นหมดมรกหมดผลเพราะตนคงตนในต้างหน้าตา ทำจริงจังเราจรึงเป็นคนอดอยากยา ก, กนจนจิตของเราจรึงกังวลบุ่นวายอย่างนี้จะต่องสอนตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอปลุกตัวของตัวให้ตื่นจากชั่วจากเสียมันจึงจะเป็นไปได้ในอย่างนั้นก็รอวันตายเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นของสําคัญมีสาระพระก็มีแต่ชื่อพระ แ้วประเสริะเสริฐอะไรล่ะท่านท่านขี่ขี่เกลียดตัณหายังขี่หลังหนังคอตัวของเกลวอยู่เสมอไปไม่มีอะไรที่จะประเสริฐจิตยังเศร้ายังนองยังวุ่นยังวายยังเดือดยังร้อนถ้าประเสรแบบนี้มันก็ไม้อดคนประเสริฐในโลกสัตว์ประเสริฐในโลกมันยังยุ่งเกี่ยวกับ ี่เหลีอยมัญหาต่างๆอยู่สัต์ทั่วไปมันก็ทำน้งเดียวกันกับเราไม่มีอะไรที่จะประเสริฐขึ้นเราจะต้องดูว่าจิตใจของเราขณะ น, นี้ระยะนี้เดี๋ยวนี้มันดีสวนกับชื่อของเราไหมเพราะโลกทั่วไปเขาสมมติว่าเป็นพระทื่อะู่ประเสริฐ แ้วมันไม่ไปเสดจอย่างนั้นอย่างที่เขาสมมติให้เราตกเป็นคนจองไม่ใช่คนจริงเป็นพระที่หลอกลวงโลกไม่ใช่เป็นพระที่หน้าจาาหน้าบูชาไม่ใช่เป็นพระที่เป็นเนื้อนาบุญคองโลกยังจะเป็นตาฝาของศาสนา ยังเทพเป็นพระแต่ใจเป็นมารเราจะต้องตรวจทิจรารนาแนสอนตัวของตัวต่างหน้าต่างตาปฏิปฏบัติรักษากายวาจาใจพงตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาอย่าไปเชือว่าเรายังหนุมอยู่ยังเด็กอยู่จะทำเมื่อไรก็ได้เพราะอายุเพราะเราจะยืนยาวไปอยู่ อย่าไปคิดแบบนั้นเพราะความตายมันไม่มีเรื่องหมายอะไรไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่เด็กหร่อสาวมันตายทาไมาถึงวันเวลามันตายรีบเร่งจะ ท, ำำทําบําเพ็ญสมัยพุทธกาลอายุเพียงเจ็ดขวบกว่าสำเร็จเป็นพระอาหารอาหารได้นี่เรามันเท่าอะไรอายุแต่ทำไมมันจึงง่วงเงาเตาตุ่แต่ปุงจิตใจของตัวให้ดีไม่ได้ นี่แต่ลหลงไหลไฟฝันในเรื่องที่พระพุทธเจ้าห้างยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวเผื่อเพลินในโลกไม่ได้เพื่อเพลินในธรรมถ้าจิตมันเป็นแบบนั้นมันกบปลอมอยู่ตลอดเวลาหาพระไม่ได้หาสมาณะความสงบในตัวไม่ได้ หาความปเปิดเิฐคือค่าในกายในใจของตัวไม่ได้เราจะต้องสอนตัวของตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงอบรมแนะสอนเอาไว้บัญญัติเอาไว้เพื่อให้พวกเราทั่วไปศึกษามันมีมากจนนับไม่ถ้วนถ้าจะนำมาที่นิติเจนาะธรรมะแต่ละสิ่นแต่ละส่วน ก็่เกิดประโยชน์ได้อย่างน้อยก็่าหักห้ามใจไม่ให้หลงไหลเพลิดเพลินไปในทางโลกแต่เราก็ไม่เอาเราเอาอันอื่นเสียถึงพระพุทธเจ้าห้ามยายเหมือนกันกันกบคนไข้คนป่วยหมอก็ห้ามว่าอันนี้แถลงถ้ารับทานลงไปจะเป็นภัยอันตรายแต่เราก็ไม่เชื่อหมอเราไปทาน ของแส ล, ง, ลงไปอยู่เลือดโรคที่มีอยู่ก็กำเริ่เลยไม่มีวันเวลาจะหายนอกนั้นก็จะไปสู่ถึงความตายโรคไม่หายมันก็เป็นทุกข์เพราะโรคนี้อยู่ในกายแล้วมันไม่สะดวกสบายให้จะเป็นโรคอะไรก่อตามนี่กิเลส ในจิตในใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันพระพูใธเ จ, จ้าห้ามไม่ให้คิดให้ฟุ้งกับเรื่องนั้นนั้นแต่พวกเราท่านก็ฝ่าฝืนเหมือนกันกับฉันของแสลงถึงฉันห้ามมาถ้าไปฉันแล้วโรคในจิตในใจจะไม่มีวันเวลาหายนะแต่เราก็ไม่เชื่อถ้าโอวาทของท่านพวกเราท่านจึงไม่หายจากโรคใครโรคอะไรอ่ะ โลกโลกโลกรธโรกหลงที่มันมีอยู่ในจิตในใจมันไม่หายไปสักทีเพราะเราฉันของแสลงอยู่บอดในฉันยาที่จะแก้มันยาคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นยาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ หากเราเอายาอันนี้มารักษากายวาจาใจของเราอยู่ตลอดเวลาโรคที่มีอยู่เก่าก่อนโรคยาโรคร้ายก็บัรเทาให้หายไปด้วยสีือศีเป็นเครื่องํำ ร, ร, ระกายวาจาสิฉวช้าเสียหายให้ตกออกไปให้มีกายมีวาจาเรียบร้อยสงบ มนเป็นที่ตำหนิของตนเองและคนอื่นนี่คือโรคยากโรคกลางๆเข้าไปคือโรคจิตทิ่คิตวุงยุงเกี่ยวกับเรื่องสัญญาอารมณ์ถึงเป็นทางของโรคหมายใช่ไ้มเป็นทางของธรรมที่จะขับไล่แก้ไขจิตใจท้องตัวแต่กายไม่เลยไปทา ลายจางไหนเด็กไปพูดแต่มันคิดมันปรุงอยู่ภายในอันนี้เป็นโลกส่วนตาคนอื่นมองไม่เห็นแต่ตัวของตัวมองเห็นว่ามันไม่เย็นไม่สงบมันคิดมันปรุงไปในทางผิดทางชั่วถ้าพูดถึงอกุศลก็เป็นอกุศลเหมือนกันคือความคิดปรุง ไปในทางใจจรืไปในทางขวดทางเสียท่านให้รักษาด้วยสติด้วยปัญญาคือให้ใคร่คิดเรื่องธรรมะมาแทนเรื่องความคิดชขวเสียต่างๆเพื่อปรับปรุงจิตใจของตัวให้อยู่ในวงของธรรมหรือให้สงบเมื่อมันอยู่ในวงของธรรม ได้มันก็สงบได้ตัวของตัวก็ไม่ตำหนีตัวของตัวว่าคิดชั่วปุงชั่ว ต, ต่างๆบางทีมันก็สงบลงไปรวมลงไปเหมือมันถอด ถ, ถอนขึ้นมาก่อที่นี่ที่เรานาในเรื่องธรรมะนี่เรียกว่าโรคขันตราคือรักษาจิตใจของตัวใครหน่อยคนที่รักษาตัวของตัวได้ ค้ามสงบสบายก็เห็นไปจับในตัวของตัวโรคละเอียดเข้าไปที่ทันเรียกว่าสังโยคถึงมันดองอยู่ในสั้นดาลเหมือนตะกรอนนอนอยู่ในกล น, อนของโอ่งหรือในกวนของขวดที่เอาน้ำขังเอาไว้เมื่อเราจับธรร ม, มาดาเบ า, บา มันก็ไปคยฟุ่งอ้กมาเท่าไรถ้าไปจับแรงแรงเข่าตะกอนที่มันนอนอยู่ในก้นมันฟุ่งขึ้นแต่เราเห็นนี่ธรรมดาจิตใจของนักภาวนาคือจิตเข้าไปสู่ความละเอียดพอสมควรมันก็ยังมีตะกอนนอนอยู่ภายในทางศาสนาจึงถือว่าสังโยชน์ คือมันนอนเนื่องอยู่ในสันดามภายในพอกระทบอะไรหนักเท่ามันจะฟุ่งขึ้นมาแต่ตัวของตัวก่อสร้างเ่าบาเอ๊ะแต่ก่อนจิตมันไม่เคยยุ่งเกี่ยวมันไม่เคยรุงคิดแบบนี้เห็นมันสว่างสวัใสดีอยู่แต่เวลานี้เมื่อกระทบสิ่งนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าอนุใสซึ่งมันเกิดขึ้นภายในใจของผู้บวชปฏิบัติ อย่าทราบเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็อย่าตายใจนอนใจฤทธิ์ทีนี้ที่เจ้าน่าแก้ไขเหลือปัญญาของตัวเพราะมันมีเหตุมันจึงมีผลถ้ามันไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันยังไม่ขาดจากอาสวะ มันจึงมียเอียดส่วนนี้เกิดขึ้นอย่าไปตายใจนอนใจที่เย็นาแก้ไขมันเกิดขึ้นในทางโกรธกาดีทางราคะพ็ดีก็หน้าที่ของผู้ประพฤฏิบัติจึงมีจิตละเอียดลงไปพอสมควรแล้วจะทราบได้